โมกตุภะคะวตาตสมาสระมาเีนาปิตุนาปเีนวิสุทธะเปเคนาสันติอปาติอวิกาตภาอาวิกาตหิสะภาสุหูติลุธิทังขวายสมโตนิธานังตทายสมนเถปุจฌามิกจิตธาบริสุทธาทุติยัมปีปุจฌามิกจิตธาบริสุทธาตติยัมปีปุจฌามิกจิตธาบริสุทธาปริสุทธเทธายสมนโตตัสมาตุนี เอวามีตังทารยามีนิทานุเทโสนิติโตตรัติเมจจาโรปราชิกาธรรมาคเดสังอาคันตีโยปะนาภิกขุภิกขูนังสิกขาสาชีวัสมาปัโนสิกขังอปจขายาตุปเลยังนาวิกตวะเมทุนังธัมมังปฏิเสวียะอันตมัโสติราชานกตายาปิปราชิโกโหติสังวาโส โยปนาภิกกามาวรัญญาวาตินังทายสังฆังอาดิเยียยัทารูเบดินาดานีราชนโจรังกิจตวะฮาเนยุงวาพันเทยุงวาปปะพเชยุงวาปโจโรสีบาโรสีมุโลหสีเทนุสีดิทัทารูปังภิกขุตินังอาติยามโนอัยยมปะราชิโกโหติสังวาโสโยปนาภิกขุสันกิตามนุสสวิกหังชีวิตาวุ ปะยสัทธหาระสัทธหาระงวาสะปริเยเสยยมรณาวันนางวาสังวันนยมรณายวาสมาเปยาอัมโพปุริสะกิงตุหมินาปาปเกนทุชิวิตะนัมตันเตชีวิตาสยโยตอิติจิตมโนจิตสังโปนกาปริยาเยนามรณาวันนางวาสังวันนยมรณายวาสมาเปยาอายมปีปราชิโกหูเยสังวาส โยบนาผิควาณัปิชาณังุตลิมนุสสะทัมมังทุปนาิกังอาลามยัญญานัตสันังสมุทาเจริญญาอิติชาณามิติปะโยนาผิควาณัปิชาณังุตลิมนุสสมังุปนาจิกังอามัญญานัตสนังสมุทาเจริญญาอิติชาณามิติปัสสามติ ตัตโตเพรเนสมายอัตตโตเรสมยนสมคหยามโนวาสมคหียามโนวาอปโนวิสุตาเปโอเอวังวทธอาอาชาเมวังอวโวัจชานาเมียปสัง菩萨มิตุถังมูซาวิลปินติอันยตระอธิมาณาไยม์ปชิโกโหติสังวาโสอุทิ o าโคัสัมันโตจตารุชิกาธมายสังพิกุอัยตรวะอยตระวะปจิตวานารปิพิกุสัิงสังวาส ยทาปุเรตทปัชชาปราชิโกโหติสังวาสุตทายสมันเตปุชามีกติธาบริสุทธาตุติยัมปีปุชามีกติธาบริสุทธาตุติยัมปีปุชามีกติธาบริสุทธาปริสุทเิทายสมันโตตัสมาตุนหิเหวามีตั้งทาเรียมีปราชิกุตเฮโูนิธิโตุ พิเมโคปนายะสมันโตเตลัสสะสังขาริเศษสะธรรมาหุเดสังหาขจันติ สันเจติกาสุขวิสัตถิอัน a ตราชพินันตาสังฆาริเสโสโยปนาิโกตินโนวิปปรินาเตนะจิตเตนะมาตุคาเมนะสัททิงกายสังสคังสมาปชะยาอิทิยะหัตถะคังวะเวนิคังวะอัน a ตราสวะอันยตราสวะอังคสัปปารามสันังสังฆาริเสโสโยปนาิโกตินโนวิปปริ t e เตนะจิตเตนะมาตุคามังทุตุลาหิวาจาหิอุพาเสยา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 ยะาตังยุวยุวะติมเฑนุปัสสันหิตาหสังฆาทิเสโสโยปณภิกติโนวิปริเตนะจิเตนะมาตุคามสาสนติเกยตกามปริจริยายาวันังภาเสยเหตาทัังภกินิปริจริยานังยามาทิสังสีละวันตังกัญญาณธมังพระมาจริงเอเตนะธมีนะปริเยญติเมนุปัสสันหิตสังฆาิเสโสโยปณภิกุสัจนิตังสมาปัจจยอิทิย ว่าปุริสัมมติงปุริสัสสวาติมติงชายัติเนวะชารัติเนวะอันตมโสตังคณิกายาภิสังาติเสโสมหาสัญญาจิกายาคุติงการยมานีนาอาสัมิกาตุเทสังปะมาณิกากาเริตพภา สตรีทางประมาณนังดีคาโซดวาตัสสาวิติโยสุงตัสบิตติยาติริยังสัพตันตรามิกูมิเตพาวัตุเดสนายาเตหีพิกูหีวัตถุงเดเสดาพังนารัมพังสัปปริกามานังสารัมเพเจพิกูวัตถุสมิงอปปริกามันเนสัญญาจิกายกุติงการิยาพิกูวานาบินายวัตุเทศนายประมาณนังวาติกามยอีสังฆาติเสโสมหัลลกัมปนาพิกูนาวิหารังการยมานีนัสสัมิกังอตุเทสังประมาณิกา การตาภาสัมมิคังอตุเทสังพิคุอปิเนตาภาวัตุเดสนายะ เตหพิกุวัตถุงเดเสตัพังอนารัพังสปริกมานังสารมเพจพิกุวัตถุสมิงอปริกมานมหัลลังวิหารังการยาพิกุวานาปิเนียวัตถุเทศนายะสังาติเสโซโยปนาพิกุพิกุงทุตโตโทโซปติโตอมุลเกนะปราชิเกนะธรรมีนุทังเซยาอาเปวานามนังอิมมห์พรมจริยาจาวยันติตตโตเปเรนะสมัยนะสมานุคาหียมานุวาสมุนุคาหียมานวา อมูลากันเจวะตังอาทิการณังโหติโกติเซโสเลสัมตูปาจินโนพิกุจาโทสังปฏิธาติสังคาติเซโสโยปนาพิกุพิกุงทุโตโทโสอปติโตัญญาภาทิยาสาธิการนัสสัจจินทีเดสังเลสมมตังอุปาตายปราชิกนณธรเมนอนุธาสนุทังเสยยาอาเบวานามังอิมมหาบรหมจริยาจ่าวิญติตะโตเปเรนสัมเยนสัมโนคาหิยามโนวาสมโนคาหิยามโนวา อันยภักดีันเจวะอธิการอันตังอธิการนังโหติเจโกจิเดโเสมตปิโนกจโทสังปติธาติสังหิเซโซโยบนาภิกุสมะคสะสังสะเยประมยบสังวัตติกังวิกรังสมาทายัจขัยหาติเย โสพิค so, ha oh ูปิคุหีเอวัมะสาวัจณียโยมายสัมมาสัมมสสังคสเบเายะประกมีเวดนาสังวัตนิกังวาที่กรณังสมาทยปะกัยหอัฏฐาสีสมตายสมาสังเขนัสมโคหีสังโคสมุรมานวิรดาอวิวรามานุ เอกุเตโซพาสุวิหรตีติเอวันจะโซพิกูพิกูหิบุจามาโนทเทวาปักขันเฮยาโซพิกูพิกูหิยาวัตติยังสมนุปปิตตาปุตสสะปตินิสขายายาวตติยันเจสุภาษาโมโนตังปฏินิสัเทยยเจตังกุสรังโนเจปฏินิสัจเทียสังคาติเซโซ ตาเสวโคปนาพิกุสะพิกุติอนุวัตตกาวะควาตะกายโกวาทะเววาตโยวาเตวังวะเทยุงมาอยสมมัโตเอตังิกุงกินเยวจุธาธรรมวาทีเจโซพิกุวินิยวาทีเจโซพิกุอัมหกันเจโซพิกุฉันดันจารุจินจ่าดายะวหรตีชานาตีพาสตีอัมหกัมเปตังขามาตีตีเอวันจเตพิกุพิกุหเอ เตปิค oh e ja e ja ูปิคูหิเอวามัสุวจณียามาอายสัมมันตามายสัมันโตเอวังอวัจุธานาเจโซปิคุธรรมวาทีนเจโซปิคุวินิยวาทีมายสมันตานำปีสังคเพโทรุจิธสเมตายสมันตานสังเคนสมโคหิสังโคสมุเมานอวิวัามานภาสุวิหรตีตีเอวันจเตปิคูปิคเอวันจ เ อ, เอวันจะเตปิกูปิกูหิวุจะ ม, มานาเทวปะปักคันเฮ ย, ยุงเตปิกูปิกูหิยาวะตติยังสมุพาธิาตาภัสสะปฏินิสขายะยาวะตติยัเจสมุาเสียมานาอิเจตังกุสลังโนเจปฏินิสัช ย, ชยะอิเจตังกุสลัง กุอิเจตังกุสลังโนเจปฏินิสัจเฉยุงสังฆาติเศโซภีคุปเนวะทุปะจาชาติโกหติอุเทศปริยาปเนสุสิกาปเทสุภีคุหีสหธรรมิกังอุจมานวอตานังกวจนียังอากาศิตัโรติมามาังกายสัมันโตกินจอวัตจุถากัญญานังวาปาปะกังวาหัมปายสัมันเตนะกินจีวคามีกัญญานังวาปาปะกังวา วิรามัธายสมันตมามาวัชนายาติเอวันจัสมิกูปิกูหิเอวเอวามัสวันิโยมาอายสมอัตตานังอวัชนยังอากาวันยเมวายสมอัตตานังรตุอายสัมิกูวเดตุสหธรรมีนกูปยสัมมันตังวันติสหธรรมีนาเอวังสังวัทไตัสสะภควตโตปริสายาติทางัญญมัญญวัชนีนานยมัญญวุทธปณีนาตี เอวันจะโสภิกขุภิกขุหิวุจามโนตเทวปัจขันธิยะโสภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมุปาสิตาโพตสสะปฏินิสขายายาวัตติยังเจสุบาสียามาโนตังปฏินิสัทธยิเจตังกุสรังโนเจปฏินิสัทธยาสังขาติสโส ปีคูปนิวะอัตรังขามังวานิมังวาวปนิสยยวิหิรติกุรดูสโกปาปะสมาจารตัสโกปาปกาสมาจาราติสันติเจวะสุยันติจักุลานิจเตนะุถานิติสันติเจวะสุยันติจะ โสภิคุภิคุหีเอวมาสาวะจินียวเยสมาโคกุลธูสะโขปัสสะมาจาโรตาสโคบาปกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจักุลาณิจายสัมมาตาตุธานิทิสันติเจวสุยันติจัปกมตาเยสมาอิมมหาอาวาสาลันติทวะเสนาตี เอวันจะโสภิกขุภิกขุหิบุตจามโนเตภิกขุเอวังวัทยาฉันนาคามิโนจะภิกขุโทสคามิโนจะภิกขุมุคามิโนจะภิกขุพยาคามิโนจะภิกขุตาติสีกายาปฏิยาเอกะชังปปะภาเชนติเอกะชังนัปปะภาเชนตีตีโสภิกุภิกขุหิเอวามัสวัจณีิโยมายะสมะเอวังอวาอวาจะ นาเจโซพิกูทำมานาจะรพิกูชันธะคาเมโนนาจะรพิกูโทวสคาเมโนนาจะรพิกูมัวคาเมโนนาจะรพิกูพยาคาเมโนนัอาเยสมาโกกุระดูสะโปกปาปัสมาจารโอวิสมาโตโคปาปะกาสมาจารดิสันติเจวสุยันติจา อุลานิจายสมมาตาทุธานิทิสันติเจวสุยนติจาปักมาตายสมาอิมามหาอาวาซาลันติทวเสนติเอวันจาโซพิกูพิกูหิวุจามโนตเทวาปคันเยายโซพิกูพิกูหิยาวัตติยังสมุปปาติตาปรสปตินิสขายายาวัตติยันเจสุภาสิยามาโนตังปฏินิสัตเชยยเจตังกุสรังโนเจปฏินิสัตเชยาสังาติเซโซอุทิตาโคยสัมันโตเตลัสังขติเซสาธรมา นเยสังนะนวบัตธรรมาปฏิกาจตตารุยาวตติยาาเยสังพิกุอัญตรังวะยตังวาปจิตวยาวติหังชาง ยาวติหังชานังปฏิชาเทติตาวติหังเตนภิกุณากามาปริวัตถพังปริบุธะปริวาสีนพิกุณาอุตริงชาระตังพิกุมาหานาตาเหยาปฏิปชิดะพังกินนามาณโตภิกุยทะศิอาวีสติขโนพิกุสังโฆตทฏโสพิกุอภทะโยเกนะพิเจอุโนวิสติขโนพิกุสังโฆตังพิกขุงอภัยยะ โสจับิกขวานาปิตโตเจ้าปิกุขาระหะยังตทาสมีจิตธายสมมันเตปุจามิกจิตาปริสุทธาทุติยมปีปุจามิกจิตาปริสุทธาตุติยมปีปุจามิกจิตาปริสุทธาปริสุทธิธาเยสมมโตตัสมาตุนเฮวาเมตังทารยามิสังฆาติเสสุทธิโสนิติโตอีเมโคปนายสมมโตทเวนียตาธรรมาวเทสังฆาคจันตี โยปนาพิคุมาตุคาเมนะสัตถิงเอกโเอกายะปะเอละหูปติชนีอาสนียังกัมมณีเยนิสัชังกปเยยาตัมีนังสัทธายวัจสาปาสิกาดิสวาตินังธรรมานังยจเตเรนะกัวเดยะปาราชิเกณวาสังฆาติเศสนวาปติเตเยนิวานิสัชังพิคุปฏิชานามาโนตินังธรรมานังยจเตเรนะกาหิทัพโห ปาราชิเกนวาสังฆาทิเศสนวาปาจิติเยนวาเยนวาซาสะเทยวัจจะสาวปาสิกาวเดเยาเตนาโซปิกคุการีดาพวยังธรรมโมอนิยโตนาเฮวาโคปนาปฏิชนังอาสนังหูตินารังกัมลียังอลังจัโคโหตีมาตุขามังตุตุลาหิวาจาหิโอปาสิตุงโยปนาปิโคตธารูุเปียสเนมาทุขาเมนะสติงเกโกเอกายาลหูนิสจังกปิยะ ตเมนังสัตยยวจจสาวุปาสิกาดิสวาวินังธรรมานังอญยตเรนบุเดียสังคาดิเซเสนวะปาจิตเยนวะเยนวะสานิสัทังพิกุบริชานมาโนทวินังธรรมานังอนยตเรนะการิตโพสังคาดิเซเสนวะปาจิตเยนวะเยนวะสาสัตยยวจจสาวปัสิกาบุเดียเตนาโสภิกข์การตโพอายัมปิธรรมโมอนิยโต ปุถิดธาโคยสมันโตทเวียนยตาธรรมตทธาสมันเตปุถามีกจิตธาบริสุทธาทุติยมปีปุถามีกจิตธาบริสุทธาตติยมปีปุถามีกจิตธาบริสุทธาบริสุทเธ์ธยสมันโตตัสมาตุนิเววามีตังธารยามิอานิยุตุเทโสณิตโต อุทิธังข้อายสัมมตุนิานังอุทิธาจตารูปราชิกาธรรมาอุทิธาเตระสัิเซสะธรรมาอุทิธาตเวนิยตาธรรมาสุตาโคปนาญสมันเตหิติงสนิสขียาปจิติยาธมาสุตาโคตเวนวุติปจิติยาธรรมาสุตาโคจตารูปาติเทศนิยาธรมาสุตาโคเซกียาธรมาสุตาโคสัตาทิกรณนสมธาธรมาเอตตังตัสสะปะวโตสุตาคตังสุตตาปริยปังอันวัตดมาสังอุเดสังอาคัจติ ตถาสภเฮวะสมะเขหิสมุตมาเนหิอวิวดามะเนหิสิกตาพังภิกขุปาติโมคันมงนิติตังานาทิเมสารังอนยังพุทธโธเมสารังบารังเทเดนะสัจวัทเทนาสโสทิเมโหตุสัพพธา นาที่มสรนังการยังทางโมมสรนังวรังเอเตนาสาตดวะเชนะโสทิเมโหตุสะปัทานาที่มสารนังการยังสังโฆมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพพะสิตมิทังเอนะภาคัวตาชา a ะปัสสะตาอาราตตาสมมาสมปุณเถนะ ลาภิธเววิหารธาสัมปันนปาดิโมขาปาดิโมสังวรสังมุตตวิหรธาจารกจรสัมปันนาอนุมาเตสุวัชเชสุภยธาสาวีสมัทยสิกขสิกขาปะเถสุติตาสมะติหัมเห สิกิตาปังสัมปันนาสิราวิหาริสามสัมปันนปาติโมคขาปาติโมคสังวรสังวุตตาวิหารัสม อาจารกัวจรสัมปันนาอนุมาเตสุวัจเจสุยาสาวสมาทายสิกิสัมาสิกาปเสุติวันมิโนสิกิตาชินดาสตังปรกมาตาเปานตัรหมา นาปหาญาหมุนกาเมเนกาตาโมบาปะจดีกาจิราเจกัลยาเทนางรัณหามนางปารักเมสิทิโลหิปาริภะโชปิโยอาจิระเตระชังอากะตังทุกะตังเสโยปัจาตาปิทุกะตัง กาตันจาสุกตังเซโยยังกตวาณานุตาปฏิขวโซยัธาโทกาหิโตหัตมวานุการตติสามัญยังโทปารามันทั้งนิรยายุปการตติยังจินจิสิทิลังกามังสังจิริทั้งจะยังวตัง สังคาสารังหงมจริยังโอติมาหกรันติอันธรมยังอุทิศนาทิถานาคาทาโยพนามาเสอิมินาบุญยากเมนาอุปจายากุลุตระลาจาริโยภะการาจามตาปิดาเจยตา迦 สุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิจาธรรมามาลาจอินทาจาโลกาลจาเทวตายาภูมิดามนุสาจาแมชตาเวริกาวิจาสะเพสตาสุขิวนตุกุญญานิปกตานิเมสุขันญติวิธังเทนตุกิปังปาเบทโวมตัง อิมินาปุญญกรมเมนาอิมินาอุทิสนาจาเยปังสุระเบเจวะตันุปัฏานะเจตานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิปานะโตมะมังนาสันตุสัปานเยวายาทาชาตุปเวภะเวภชูจิตังสติปัญญาสันเลโวิยมินา มาลาลพันตุโลกะสังกาตุจวิเยสุเมโอทาทิปาวรณาโธมโมนาโวารุตโมนาโตปเจกะพุทโธจะสังโฆนาโตตรมมะมังเตสตตานุภาเวนามาโลกสังกาพันตุ สัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหวนตัวจงเป็นสุ่มเป็นสุ่มเถิดอย่าได้มีเวรเกี่ยวกันและกันเลยอาพยาบชาหวนตัวจงเป็นสุ่มเป็นสุ่มเถิด อย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอา น, นีคาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังบาริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกไปดังสิ่นเดิ